สามทางสายกลางเพราะความมีอยู่และความไม่มีอยู่จะดับไม่เหลือด้วยปัญญายานทางเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือกรรมดีและกรรมชั่วนี่คือธรรมอันยิ่งที่อิสระพ้นแล้วจากสุขติและทุคติการเห็นผลที่เกิดขึ้นและเหตุ บุคคลจะไม่หลงยึดในความไม่มีอยู่การเห็นการดับไปและเหตุบุคคลจะไม่หลงหมายมั่นในความมีอยู่เหตุนำก่อนหน้าและเหตุในปัจจุบันต่างไม่ใช่เหตุในความเป็นจริงมันไม่ได้มีสิ่งที่เป็นเหตุที่แท้จริงเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงทั้งในสมมุติ และในความจริงแท้เมื่อมีความเป็นสิ่งนี้ก็มีความเป็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเมื่อมีความสั้นก็มีความยาวเกิดขึ้นเพราะมีผลคือสิ่งนี้จึงมีผลคือสิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่นเดียวกับแสงสว่างที่เป็นผลของเปลวไฟเมื่อมีสั้นก็มียาว ทั้งสองต่างไม่ได้มีอยู่โดยธรรมชาติเดิมแท้เช่นเดียวกันเมื่อไม่มีเปลวไฟเกิดขึ้นแสงสว่างก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อได้เห็นเช่นนี้ว่าผลเกิดจากเหตุบุคคลจะเข้าใจชัดในสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามสมมุติของโลกและจะไม่หลงไปในความเห็นเรื่องความดับศูนย์ บุคคลผู้แจ้งชัดในความดับไปตามที่มันเป็นอยู่จริงโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาจะไม่หลงไปสู่ความหมายมั่นในความมีอยู่จริงด้วยเหตุนี้การไม่หลงในความเป็นคู่คือความหลุดพ้นรูปที่เห็นในระยะไกลจะเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อดูใกล้หากว่าพยับแดดเป็นน้ำจริงๆ ทำไมจึงไม่พบน้าเมื่อเข้าไปใกล้วิธีที่โลกถูกเห็นจะดูเหมือนจริงเมื่อดูห่างๆอย่างผิวเผินแต่ไม่สามารถเห็นได้เมื่อดูใกล้ๆอย่างละเอียดละออเพราะมันมิได้มีรูปลักษณ์ที่แท้จริงเชกเช่นพยับแดดคล้ายกับพยับแดดที่แลดูเหมือนน้ำแต่ไม่ใช่น้ำ และโดยความจริงแล้วมันไม่ได้มีอยู่ดังนั้นขันท่าซึ่งก็ดูคล้ายตัวตนแต่ก็ไม่ใช่ตัวตนและโดยความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่บางคนช่างงูเขาลงคิดว่าพยับแดดคือน้ำต่อเมื่อเข้าไปใกล้แล้วมันก็หายไปก็คาดเดาต่อไปอีกว่า น้ำนั้นมีได้มีบางคนเห็นว่าโลกก็เป็นเช่นพยับแดดและเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่หรืออาจเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ก็ตามนั่นล้วนอย่างเป็นความหลงอยู่ดีเมื่อมีความหลงย่อมไม่สามารถรู้แจ้งหลุดพ้นได้ผู้ที่หลงยึดในความไม่มีอยู่ ก็จะตกไปสู่ทุกคติส่วนผู้ที่หลงยึดในความมีอยู่ก็จะไปสู่สุคขขติโดยความรู้ที่ถูกและตรงบุคคลจะไม่หลงยึดลงไปในความเป็นคู่ทั้งสองและเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นหากด้วยความรู้ที่ตรงและถูกต้องผู้ฉลาดจะไม่ยืนยันในความมีอยู่หรือความไม่มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นเขาอาจจะอาศัยหลักของความไม่มีอยู่แต่ทำไมเขาจะไม่อาศัยหลักของความมีอยู่ด้วยเล่าด้วยการปฏิ second, ปฏเสธ ค, ความเห็นเรื่องความมีอยู่ความเห็นเรื่องความไม่มีอยู่ก็จะเพิ่มพูนในพวกเขาแล้วทำไมการปฏิเสธความเห็นเรื่องความไม่มีอยู่ความเห็นเรื่องความมีอยู่ จะไม่เพิ่มภูนในพวกเขาด้วยเล่าพวกเขาจะไม่หลงไปในความเห็นเรื่องความดับศูนย์และไม่มีพฤติกรรมอย่างพวกมิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นและเนื่องจากบนเส้นทางแห่งความรู้แจ้งหลุดพ้นจะต้องไม่มีทิฏฐิที่ผิดเรื่องความดับศูนย์แล้วดังนั้นจะเห็นว่าพวกเขาเป็นพวกลัทธิดับศูนย์ได้อย่างไร ลองถามพวกเจ้าลัทธิอื่นๆและพวกที่เชื่อในเรื่องความมีตัวตนของขันห้าดูว่าเขาจะกล่าวถึงการนอกเหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่หรือไม่ดังนั้นการรู้ชัดในรสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่เรียกว่าความลึกซึ้งในธรรมคำสอนแห่งธรรมอันยิ่งนั้นอยู่ห่างไกลมากจากความมีอยู่ อคอวามมมไ่่ียูตามความเป็นจริงแล้วโลกจะมีอยู่จริงแท้ได้อย่างไรเพราะธรรมชาตินั้นอยู่นอกเหนือการเวลาเมื่อแยกแยะออกมันไม่ได้มีการไปการมาหรือการตั้งอยู่เลยแม้แต่เพียงขณะเดียวเพราะการไปการมาการอยู่ทั้งในโลกและนิพพาน มีได้มีอยู่จริงแท้โดยธรรมชาติของมันแล้วในความเป็นจริงทั้งสองนี้จะแตกต่างกันอย่างไรหากเนื่องมาจากความไม่มีอยู่จริงของการตั้งอยู่การเกิดขึ้นและดับไปก็ย่อมเป็นสิ่งไม่มีอยู่จริงด้วยแล้วการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจะมีได้อย่างไร หากสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วมันจะคงอยู่แม้เพียงชั่วขณะได้อย่างไรหากสรรพสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงแล้วในความเป็นจริงมันแปรเปลี่ยนได้อย่างไรหรือว่ามันจะคงอยู่ได้ชั่วขณะโดยเพียงบางส่วนหรือเพียงส่วนย่อยๆแต่เพราะความแบ่งแยกเช่นนั้นไม่ได้ปรากฏ ความคงอยู่ชั่วขณะจึงไม่อาจมีได้โดยทั้งสองกรณีหากสรรพสิ่งคงอยู่เพียงชั่วขณะมันก็ย่อมมิใช่การไม่มีอยู่โดยสิ้นเชิงเช่นนั้นแล้วสรรพสิ่งจะแก่ลงได้อย่างไรเช่นเดียวกันหากสรรพสิ่งมิได้คงอยู่เพียงชั่วขณะมันก็ย่อมคงอยู่ถาวร เช่นนั้นแล้วสรรพสิ่งจะแก่ลงได้อย่างไรความเป็นขณะหนึ่งย่อมมีจุดสิ้นสุดดังนั้นมันจึงต้องมีจุดเริ่มต้นและท่ามกลางเมื่อความเป็นขณะอย่างต้องประกอบไปด้วยธรรมชาติทั้งสามความคงอยู่ของโลกแม้เพียงขณะหนึ่งที่แท้จริงจึงไม่ได้มี เนื่องด้วยจุดเริ่มต้นท่ามกลางและจุดสิ้นสุดก็ยังคงถูกจำแนกออกได้เป็นชั่วขณะหนึ่งอีกเช่นกันดังนั้นแม้จุดเริ่มต้นท่ามกลางและจุดสิ้นสุดนั้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยตัวมันเองหรือโดยสิ่งอื่นเช่นกันเพราะมีส่วนประกอบย่อยอันหลากหลาย มันจึงไม่ได้มีความเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ปราศจากส่วนประกอบย่อยนอกจากนั้นเมื่อปราศจากหนึ่งมันก็มิอาจมีความหลากหลายดังนั้นเมื่อปราศจากความมีอยู่มันจึงไม่ได้มีความไม่มีอยู่หากคิดว่าโดยการแยกแยะออกเป็นส่วนย่อยแล้วสิ่งที่มีอยู่ เลยกลายเป็นไม่มีอยู่เช่นนั้นแล้วหากปราศจากความมีอยู่มันจะสามารถถูกแยกแยะได้อย่างไรดังนั้นมันจึงไม่ได้มีการสูญหายไปซึ่งปรากฏการของโลกในนิพพานแม้โลกจะต้องพินาศผู้รู้ก็ยังคงสงบนิ่ง เพราะว่าท่านมีได้สอนธรรมอันละเอียดลุ่มลึกนี้แก่ชาวโลกโดยทั่วไปที่ไม่สามารถรองรับได้ความรู้ทั้งหลายนี้จึงอยู่ได้แต่เพียงในหมู่บุคคลผู้ฉลาดและมีไหวพริบเพื่อกลายเป็นสัพพันยูดังนั้นคำสอนในเรื่องธรรมอันยิ่งนี้จึงถูกสอนโดยพระพุทธเจ้าพระผู้เห็นแจ้งในความเป็นจริงอันละเอียดลึกซึ้ง เข้าใจได้ยากและนอกเหนือเหตุผลของโลกความหวาดหวั่นในคําสอนอันนอกเหนือเหตุผลนี้ความยินดีในเหตุผลพลื้นฐานความไม่สามารถอิสระจากความมีอยู่และความไม่มีอยู่ได้ผู้ด้อยปัญญาจึงมีแต่ทำตนให้วินาศความหวาดกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว หวาดกลัวในสภาวะที่ไม่รู้จะกลัวอะไรผู้ที่ทำตนให้วินาศเช่นนั้นย่อมทำผู้อื่นให้วินาศไปด้วยโอพระราชาจงอยู่ในทางที่ผู้ทำตนให้วินาศเหล่านั้นไม่สามารถทำพระองค์ให้วินาศเธอ